ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเรากับเพื่อนผู้หญิงสองคนซึ่งได้ย้ายมาอยู่และตัดสินใจอยู่ที่นี่เพราะภาพลักษณ์เป็นคอนโดที่ดูดีมากเดินทางสะดวกอาหารการกินก็หาง่ายที่สำคัญที่นี่อนุญาตให้เลี้ยงสุนัขได้ด้วย เลยตัดสินใจได้ไม่ยากเลยที่จะอยู่ห้องที่เราเช่าอยู่กับเพื่อนนี้เป็นห้องที่ประตูของห้องเราจะดตรงกับประตูด้านนอกซึ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ของคอนโดโดยจะมีบันไดประกบทั้งสองข้างระหว่างประตูตรงข้ามกับห้องเราอยู่ไปแรกๆ ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่วันก็มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เราปิดไฟนอนกันแล้ว ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเพลงเบาๆเรือเฟังดูจะคล้ายเพลงโบราณประกอบกับได้ยินเสียงเท้าเดินรอบๆห้องเราตกใจเปิดไฟ แต่ก็ไม่เห็นอะไรส่วนเพื่อนของเราที่นอนข้างๆก็ยังหลับสบายดีเราเลยปิดไฟนอนต่อสักพักหนึ่งเพื่อนเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแต่พอเพื่อนเราเดินออกมาเราเห็นผู้หญิงร่างผอมติดกระดูกหน้าดำผิวเหี่ยวยน่นเดินกาอหลังเพื่อนของเราอยู่แล้วเพื่อนก็กดสวิตซ์ปิดไฟห้องเพื่อที่จะนอนทุกอย่างก็มืดสนิท แล้วนางก็เดินกลับมานอนข้างๆเราต่อเราได้แต่นิ่งพูดไรไม่ออกไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองเพื่อนเราหันหลังแล้วนอนคลุมโปงไปเลยพอเช้ามาเราลุกลงจากเตียงก็เห็นเศษเล็บตกอยู่บนพืน้นทั้งทั้งที่ไม่มีใครตัดเล็บแล้วก็เจอเส้นผมดำตกอยู่บนพื้นด้วยเราเลยตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟัง แต่เพื่อนเราก็ไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรพวกนี้ง่ายๆนางบอกกับเราว่าคิดมากไปเองแต่เราก็พยายามบอกว่าที่นี่มันแปลกๆนะถึงรอบๆจะดูคึกคักก็เถอะแต่เราว่าห้องนี้มันแปลกทุกอย่างสร้างแปนห้องแปลกๆไม่ดูหลักฮวงจุย้ยเราบ่นไปเรื่อยแต่เพื่อนก็ยังคงไม่สนใจฟังเราหาว่าเราเพ้อเจ้อต่างหากจนมีอยู่คืนหนึ่ง เราได้ไปนอนค้างบ้านพี่สาวส่วนเพื่อนของเราก็อยู่คนเดียวที่คอนโดกับน้องหมาของเราอีกสองตัวโดยปกติแล้วน้องหมาเราจะเรียบร้อยมากแต่ในคืนนั้นทั้งสองตัวเห่าพร้อมกับมองไปที่กระจกครัวบ้างหันไปมองบนเพดานบ้างหันไปที่เตียงนอนบ้างสลับไปไปม า, มาเพื่อนเราเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น ไม่ได้สนใจอะไรรู้แต่ว่าลำคาญมากเพราะมันก็ดึกแล้วประมาณห้าทุมเริ่มที่จะง่วงและกำลังจะปิดไฟนอนอยู่ๆน้องหมาตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาบนเตียงเพื่อนเราก็ไม่เอดใจอะไรปล่อยให้นอนด้วยพอปิดไฟน้องหมาตัวก็ร้องเสียงดังเหมือนถูกยิกถูกเหยียบเพื่อนเราเลยเปิดไฟดูก็เห็นเขาวิ่งไปนอนใต้โซฟา จากนั้นเพื่อนก็ปิดไฟนอนต่อกำลังเคลิมได้ทีก็ได้ยินเสียงเหมือนกระดิ่งกับเสียงเพลงคอเบาๆพอเพื่อนเราลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วมองไปในความมืด ก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำแบบสุขโขทยัยกำลังยืนรำอยู่กลางห้องเท่านั้นแหละเพื่อนเราลุกขึ้นมาเปิดไฟทันทีแล้วรีบโทรมาเล่าให้เราฟังเราได้แต่พูดปลอบใจว่าให้นอนเปิดไฟไปก็แล้วกันแล้วเราจะรีบกลับเชา้าวันถัดมาเราก็กลับไปถึงห้องแล้วนั่งคุยกับเพื่อนว่าจะอยู่ต่อหรือจะเอาอยัางไงดี เพื่อนก็บอกว่าเสียค่าเช่าไปแล้วต้องอยู่ต่อให้ได้คืนนั้นเราก็นอนด้วยกันตามปกติปิดไฟนอนแต่ว่าเรานอนไม่ค่อยหลับเลยจูจๆก็ได้ยินเสียงดังมากดังมาจากนอกห้องแล้วน้องหมาของเราก็เห่าสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกบิดดังเหมือนกับมีคนเปิดเข้ามา ทั้งทั้งที่เราก็ล็อกห้องแล้วพอเสียงเงียบไปในสมองเราตอนนั้นกลัวมากคิดเพียงแต่ว่าจะเป็นโจรหรือผีกันนะเราพยายามส ก, กิดเพื่อนแต่เพื่อนกลับไม่ตอบอะไรเลยเลยตัดสินใจหันไปหวังจะปลุกเพื่อนให้ตื่นแต่พอหันไปเท่านั้นแหละเราก็เห็นเงาดำยืนเหยียบหน้าอกเพื่อนอยู่เราตกใจมากรีบหลับตาสวดมนต์ สวดผิดผิดทุกทุกระหว่างสวดอยู่นั้นกงแง้มตามองดูแต่เขาก็ไม่ยอมไปสึกพักเหมือนเขาจะรู้เงาดํานั้นหันมามองที่เราแล้วชี้หน้าพร้อมกับบอกว่าที่กูมึงสวดไปเถอะกูไม่ไปเราเด้งลุกออกจากเตียงกรี๊ดลั่นหอมกับเปิดไฟห้องส่วนเพื่อนเราก็หลุดจากโดนอำ่ำเพราะตกใจ ตื่นมาเหงื่อเต็มตัวแล้วร้องไห้บอกว่าฝันเห็นผู้ชายผิวดำตัวใหญ่มากมาบอกว่าไปให้ผลแล้วคืนนั้นเราสองคนก็นอนต่อไม่ได้เลยต้องเปิดไฟรอจนถึงเช้าพอเช้ามาก็ลงไปใส่บาตรอุทิศบุญกุศลให้เขาจากนั้นเราก็โทรไปหาร่างทรงที่รู้จักให้เข้ามาดูห้องนี้พอร่างทรงมาถึงเขาก็บอกเลยว่า ตำแหน่งห้องมันเป็นทางผีผ่านเป็นทางสามแพง่งไม่แปลกเลยถ้าจะพบเจออยู่บ่อยๆแล้วก็ให้ยันแดงเรามาแผ่นใหญ่บอกให้ติดที่ประตูห้องไว้แต่เราไม่กล้าติดยันเพราะกลัวคนอื่นที่เดินผ่านมาจะตกใจจึงได้ให้พระมาเจิมที่หน้าห้องแทนแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังเจอผีอยู่เจอทุกวัน ต่อให้ทาบุญขนาดไหนให้พระทมพิธีหรือติดยันป้องกันขนาดไหนก็ยังเจอเราจึงต้องไปไปมามาไม่จำเป็นก็จะไม่นอนที่นั่นส่วนน้องหมาก็ฝากให้แม่ของเพื่อนเอาไปเลี้ยงรอจนครบสัญญาไป ห, หาที่อยู่ใหม่ สัมภัสยอง